คนเราเนี่ยที่ทุกทุกอยู่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ทุกเพราะความคิดของเราไม่ใช่เพราะอะไรอื่นนะทุกเพราะความคิดโดยเฉพาะชอบจะคิดอะไรที่มันบีบคั้นใจเราให้เราเนี่ยโกรธมากขึ้นเกลียดมากขึ้นอึดอัดขัดเคืองมากขึ้นน้อยใจมากขึ้นน่ท้อใจเก่งขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนเราเนี่ยชอบไปคิด พวกนี้เพราะมันก็บีบคั้นตัวเราเองให้เราเนี่ยยิ่งทนไม่ไหวคนเราเนี่ยพอบีบคั้นมากเข้ามากเข้าทนไม่ไหวเนี่ยนะก็จะระเบิดระเบิดยังไงถ้าระเบิดแบบเศร้าโศกเสียใจนัทอใจอย่างเงี้ยระเบิดขึ้นมาแล้วก็โอ้โหเรียกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยคราวนี้หมดเรี่ยวหมดแรงคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยมันจะคิดไปเรื่อย บางค น, นยังไม่ได้อะไรมากบอกแค่ติดหนี้ติดสินเขาเข้ามาตามทวงนี้ใช่ไหมโอ้คิดไปแล้วไม่รู้จะหามาใช่อย่างไงอะไรคิดไปคิดมาเนี่ ย, ยคิดในแง่ที่เรียกว่าบีบคั้นตัวเองงั้นเลยไม่รู้จะหาเงินยังไงเงินทุกวันนี้ก็หายากหาลำบากดูสิหนี้เขาก็ตามทวงเอาทวงเอาไม่กล้ากลับบ้านไม่กล้าไปเจอหน้าใครเขาอย่าคิดแต่มุมพวกนี้นะบีบคั้นตัวเองหนักเข้าหนักเข้าฆ่ า, าตัวตายก็จะ ไปกระโดดสภาลอยก็ได้ไปกระโดดตึกก็ได้เห็นข่าวไหมเนี่ยผู้หญิงญี่ปุ่นน่ยที่บอกว่าอุ้มลูกแล้วก็กระโดดตึกลงมาตายทั้งแม่ทั้งลูกเลยนั่นแหะเพราะว่าบอกว่าโดนชายผู้ชายญี่ปุ่นทิ้งไปอย่างเงี้ยเนี่ ย, ยก็ถ้าคิดแบบนี้คิดบีบคั้นตัวเองบีบคั้นตัวเองไปเรื่อยๆมันทนไม่ไหวหรอกมันระเบิดแล้วก็จริงๆแล้วอยู่ที่อะไรล่ะก็บอกแล้วอยู่ที่ความคิด อยู่ที่ความคิดเพราะถ้าคิดไม่เป็นเนี่ยคุณตายตายแน่นอนตายเร็วตายช้านั่นเองถ้าคุณคิดไม่เป็นแต่ถ้าคุณคิดเป็นคุณดูนะขนาดประวัติประวัติศาสตร์ของาศาสนาพุทธเนี่ยนางปตาจลาผาัวก็ตายลูกก็ตายโอ้โหบ้านก็ไฟไหมอะไรอีกอะ พ่อแม่ตายอีกโอ้คุณคิดดูบ้าเลยนะเรียกว่าทุกข์ใจเสียใจจนกทังเป็นบ้าเลยเจนกระทั่งจดิหลังมาเจอพุทธเจ้าพุทธเจ้าถึงแนะถึงสอนวิธีคิดใหม่เพราะว่าอะไรพ่อบ้าเดินไปไหนก็เที่ยวไปหาลูกหาครอบครัวที่ตรงนั้นที่ตรงนี้แล้วก็อยากจะ ให้ลูกฟื้นเนี่ยให้ฟื้นจากจากตายแล้วอะ่ะนั่นแหละจนผู้เจ้าก็ค่อยๆสอนค่อยๆให้แง่คิดว่าไม่มีใครอ่ที่ไม่ไม่ตายแล้วนี่ก็เป็นความเป็นจริงเห็นไะเห็นไหมถ้าถ้าคิดตามความเป็นจริงอะ่ะว่าเอา้าจะมาคิดแต่ว่าโอ้โหทำไมเราซวยอย่างนี้ทําไมโอ้โหนี่พ่อแม่ก็ตายเออพี่น้องก็ตายอะไรอะ่ะลูกเต้าก็ตาย คือถ้าใครเนี่ยคิดไม่เป็นแล้วคิดแต่อย่างเงี้ยคนนั่นน่ะบีบคั้นตัวเองนั่นละไปไม่รอดหรอกยืนยันได้เลยว่าไ ม, ไม่มีทางไปรอดเขาถึงบอกว่าถ้าเวลาคิดเรื่องอะไรที่มันมันจะทําให้เราทุกข์ให้เรากุ้มเนี่ยนะเขาบอกว่าอย่าไปคิดหรือว่าอย่าไปมองดูคนที่เขาเนี่ยสบายกว่าเราอย่างเช่นอย่างสมมติว่า เนี่ยพ่อก็ตายแม่ก็ตายลูกก็ตายผัวก็ตายบ้านก็นไฟไหมเนี่ยแล้วก็ไปคิดถึงโอ้โหดูสี่คนนั้นนะ่ะเขาอยู่ครบหมดเลยอะ่ะบ้านเขาก็ยังอยู่ครอบครัวก็ยังอยู่หัวก็มีความสุขคือถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยนคิดไม่เป็นอีกละเริ่มดูไม่เป็นแล้วก็คิดไม่เป็นเพราะฉะั้นแทนที่จะดูแบบนี้เนี่ยเขาให้ไปดูสิบอกยิ่งกับเราก็มีนะที่เรียกว่าโอ้โหพ่อแม่ตาย เรียบเลยเสร็จแล้วตัวเองบางทีนี่โอ้โหยังพิกลพิการอีกเนี่ยลําบากยากลําบากยิ่งกว่าคือเขาให้ให้ดูที่ทุกหรือว่าลําบากยิ่งกว่าเราเพราะอะไรอันนี้เป็นจิตวิทยาที่เรียกว่าพอเราดูคนที่เขาเด็ดเหนื่อยเขาทุกเขาทรมานเขาลําบากกับเราเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าเราดีกว่านะ ใช่ไหมพอเรารู้สึกว่าเราดีกว่าเนี่ย ก, การบีบคั้นความที่จะคิดในมุมลบๆเนี่ยมันจะลดลงมันจะเบาลงเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าถ้าเวลาคิดถึงเรื่องที่มันจะทุกข์ทุกกุ้มกุ้มอะไรพวกนี้นะเขาบอกว่าให้มองคนที่ทุกข์กว่าเราคนที่กุ้มกว่าเราถ้าเรามองดูแล้วเราเนี่ยจะทุกข์น้อยลงแล้วเราจะกุ้มน้อยลงแต่ถ้ามองเรื่องของความดี มองเรื่องของความดีเนี่ยซึ่งว่าเราอยากจะทาดีให้เพิ่มขึ้นใช่ั้ยเขาบอกว่าอย่าไปมองคนที่ดีน้อยกว่าเราถ้าจะมองเรื่องเรื่องอะไรอะเสริมกำลังเริ่มเรื่องที่เราจะสร้างสารรชีวิตเราให้ดีขึ้นนั้นเขาบอกว่าให้มองคนที่ดีมากกว่าเราอย่าไปมองคนที่ดีน้อยกว่าเราเพราะอะไรเนี่ยเลยคนเรามันเป็นอย่างเงี้ยถ้ามองคนที่ดีน้อยกว่าเราแล้วเราจะรู้สึกไง จะรู้สึกยังไงเราดีเหนือกว่านะเพราะฉะนั้นแหมยังอีกไกลนะกลายคนนั้นจะตามเราได้ทันถ้ามองอย่างเงี้ยเอื่อยเฉชยนะจะติดแป้นจะติดสบายจะไม่ขยับฐานตัวเองขึ้นราะถ้าในเรื่องของการสร้างสรรค์ในเรื่องของความดีงามพวกนี้ต้องมองผู้ที่เหนือกว่าเราหรือสูงกว่าเราหรือทําได้มากกว่าเราเพราะพอเราเห็นแล้วเนี่ย มันถึงจะรู้สึกโอ้โหดีกว่านี้ยังมีอีกเนี่ยโอ้โแล้วเขาแม่มีความสุขเขามีความสบายโอโ้ดูสีดูหน้าเขาแก่น้อยกว่าเราเยอะเลยนะ ท, ทั้งที่อายุมากกว่าเราอีกเนี่ยบอกโอ้โหถ้าเราได้อย่างนี้ก็ดีสิใช่ัหมมันก็อยากมีอยากเป็นอย่างนั้นเนี่ยทาให้พลังสร้างสรรค์ของเราจะมากขึ้นแล้วก็จะดีขึ้นนี่เป็นวิธีเพราะานถึงบอกว่าเนี่ยนะ มันเป็นวิธีการแก้2หมุมถ้าถ้าเข้าใจที่อาตมาพยายามอธิบายตรงนี้ได้ไม่เพียงแต่เราคลายใจแล้วก็คลายทุกข์เท่านั้นนะเรายังจะสุขใจด้วยไม่เพียงแต่คลายทุกข์ได้น่าจะพบความสุขในชีวิตด้วยแล้วคราวนี้นะไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปห่วงเลยพ่อแม่ยังไม่เข้าใจก็เรื่องของพ่อแม่แต่เราเข้าใจพ่อแม่นะแล้วดูสิ เข้าใจนี่เข้าใจจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องต้องต้องไปพิจารณาดูด้วยตัวเองนะเราเข้าใจจริงไหมเคยลองถามตัวเองไหมอาตมาเคยลองถามบางคนบางทีเนี่ยนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมานานแล้วใช่ไหมอสมมองเบิกมีคนสองคนนายกับนายขอบอกอันนี้เ่ยเป็นเพื่อนกันมานานแล้วใช่ไหมปกติเข้าใจกันดีไหมบอกเข้าใจกันดีไม่ไ ม, ไม่ทะเลาะอะไรกันอ อาจารย์ก็ถามอ่าถ้าเข้าใจกันดีรู้ไหมคนนี้ก็ชอบกินอะไรบัางอาจจะอา จ, จารย์จะเริ่มถามแล้วอย่างเงี้ยถ้ากับพ่อแม่เนี่ยเราเคยรู้ไหมว่าพ่อแม่ชอบอะไรบ้างชอบกินอะไรชอบใส่เสื้อผ้าสีอะไรหรือว่าบางชีชอบยิวหรือชอบลิเกเออหรือ ชอบไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าชอบอยู่บ้านชอบเงียบๆ เ, เ, เราเคยไหมเราเคยเข้าใจคนอื่นไหมเราเคยเข้าใจไหมว่าคนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยไม่ชอบอะไรบ้างไม่ชอบคนพูดมากอ่ะรู้ตัวปะว่าเราพูดมากอา้าวก็ท่านไม่ชอบคนพูดมากหรือบางทีท่านไม่ชอบคนเงียบอา้าวเราเรารู้ไหมเนี่ยเราเข้าใจไหม มีเหมือนกันบางคนไม่ชอบคนเงียบถามอะไรก็ไม่พูดถามอะไรก็ไม่พูดอาตมาเนี่ยโดนหนักสมัยเด็กๆนี่บางทีถามแล้วไม่ค่อยพูดโดนอาตมาโดนพี่เล่นงานหนักเลยยิ่งโดยเฉพาะเวลาเขาตีเนี่ยโดนโยมพี่ชายตีไม่ปี่ปากเลยถ้าโดนตีเนี่ยก็จะสอนไงก็จะสอนแล้วก็จะถามเราอย่างงั้นถามเราอย่างนี้ เงียบลูกเดียวไม่พูดแต่ในใจคิดยังไงรู้ไหมคิดในใจตีกูได้ตีกูไปเหอะคิดแบบเจ็บแค้นอยู่ในใจนะสมัยก่อนนะเด็กๆแต่อันเนี้ยพูดให้ฟังให้รู้ว่าว่าเนี้ยเราก็ไม่เข้าใจอะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยโยมพี่อิตมาตอนนั้น น, นะนะเขาพยายามที่จะแนะเราพยายามที่จะพูดถึงเหตุผลให้เรา ให้เรารู้ให้เราเข้าใจไงแต่ตอนนั้นนะ่ะเราเราคิดอยู่แต่ตัวของเราเองเราเนี่ยไม่เข้าใจคนอื่นเขาเลยว่าคนอื่นเขาจะเป็นยังไงนะแล้วไอ้ที่เขาพยายามอบรมสั่งสอนเราเนี่ยเขาก็เหนื่อยด้วยนะเขาก็ลําบากด้วยนะเจอิกระทั่งบางทีไม่พูดไม่พูดพูดจนเขาโกรธเขายิ่งโกรธเขาก็ยิงตีเราหนักเลยอืมอาตมานี่คนนึงละเคยโดนตีจนไม้หักเลยเมืออกัน เคยดอตั้งแต่เด็กๆเย็บลูกเดียวหุบปากไม่พูดแต่ต่หลังก็ค่อยๆเด็กๆมันก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่พอเราค่อยๆโตขึ้นค่อยๆโ ต, ข, ๆตขึ้นเราค่อยๆเริ่มเข้าใจละ ว, ว่าอ๋อผู้ใหญ่คนนี้เป็นอย่างนี้ตอนี้พอเข้าใจเนี่ยหลังเขาถามอะไรมาเราก็รู้แล้วว่าเออสาหรับคนนี้เนี่ยต้องพูดด้วยถ้าพูดด้วยแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลย แล้วไม่เพียงแต่ไม่มีปัญหานะกลายเป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันด้วยแต่ถ้าอีกคนนึงเขาไม่ชอบคนพูดมากใช่ไหมบางทีเขาทำงานอยู่ดีๆแล้วก็ถามไอ้น่นถามไอ้นี่ถามอยู่นั่นเนะี่ยจนเขาลําคาอยู่บืองกันถ้าอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วเออคนนี้เขาไม่ค่อยชอบคนพูดมากสักเท่าไหร่เราทำงานด้วยเนี่ยอะไรจำเป็นเราก็ถามเท่านั้นไอ้มาจาเป็นเราก็ทาของเราอย่างเงี้ย เขาก็เออเขาก็รู้สึกดีๆกับเราแล้วเขาก็ไม่รำคาญเราอย่างเนี้ยนี่นี่คือสิ่งที่เราเข้าใจคนอื่นเพราะฉะนั้นการเข้าใจคนอื่นนี่ช่วยได้มากเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าเอาแต่เข้าใจตัวเองเท่านั้นเข้าใจตัวเองเนี่ยถูกต้องแล้วดีแล้วแต่คนเราเนี่ยบางทีเราบอกว่าเราเข้าใจตัวเองเี่ยไม่จริงนะบางคนหลอกตัวเอง หลอกว่าเราเข้าใจตัวเองแต่ความจริงไม่ได้เข้าใจตัวเองแต่เป็นการที่เราเนี่ยอยากได้อะไรตามใจตัวเองไม่ใช่เข้าใจตัวเองนะความเข้าใจตัวเองกับการที่เราต้องการอะไรเป็นไปดั่งใจตัวเองคนละเรื่องบางคนเนี่ยเราเอาสมมติเร า, เ, า, มม า, เ, ราเราชอบกินอะไรอร่อยหรือเราอยากดูหนังฟังเพลงใช่ไหมจริง เราเราชอบอย่างนี้เราก็บอกว่าเนี่ยเราเข้าใจาตัวเราดีเราชอบอย่างเงี้ยแต่การชอบแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องตามใจตัวเองเนี่ยฟังดูให้ดีนะบางทีเราชอบฟังเพลงใช่ไหมคนอื่นไม่ชอบ เ, อเราทํางานร่วมกับเขาอย่างเงี้ยเอาธรรมะดีกว่าบางคนชอบฟังธรรมะแต่คนอื่นก็ไม่ชอบฟังแต่ในที่นั้นเนี่ยทํางานร่วมกันอา้าวถ้าอย่างเงี้ยถ้าเรา จะเอาแต่ตัวเราเองนะจริงแล้วว่าเราเข้าใจตัวเองเพราะเราชอบฟังธรรมะใช่ไหเพราะเราก็เลยเปิดตอนที่พอเราเปิดเราก็เปิดสดังค่เรียกว่าคนอื่นก็จะยินไปด้วยแต่คนอื่นเขาไม่ชอบเงี้ยถึงบอกว่าเราเข้าใจตัวเราเองใช่ไหมว่าเอาเราชอบฟังธรรมะแต่คราวนี้เราไม่เข้าใจคนอื่นเลยเนี่ยว่าคนอื่นเขาไม่ชอบถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็รู้ละเออเราชอบ ใช่มแต่เราจะทำตามใจเราเราอยากฟังธรรมะดังๆคนอื่นจะยังไงก็ช่างมันไม่ได้แล้วอันนี้ตามใจเพราะถ้าเราเข้าใจตัวเองได้จริงนะเข้าใจอย่างถูกต้องเข้าใจคนอื่นได้จริงเข้าใจคนอื่นอย่างถูกต้องเราจะหาทางแก้หรือหาทางออกที่ถูกใจเราหรือสมใจเราแต่ไม่ขัดกับคนอื่น ว่าอาจจะมีเสาเบา้าหรือเราอาจจะมีที่ฟังใช่ไหมที่เออเราฟังของเราเราก็ได้ได้ฟังธรรมะของเราโดยที่ไม่รบกวนคนอื่นหรือบางทีเราเปิดแล้วก็เปิดฟังในส่วนในขอบเขตที่เราได้ยินได้ฟังแต่คนอื่นไม่หนไม่ไปรบกวนไม่ไปโหนกหูคนอื่นเขาอย่างเงี้ยเราก็จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้นะด้วยความเข้าใจวพราะ น, นี้นี่นะ ข้อนี้ถ้าเราเข้าใจได้เนี่ยอาตมาว่าโอ้อยู่กับใครก็อยู่ได้ทั้งนั้นเลยจะไม่ไม่มีการทะเลาะเบาแวงกับใครแล้วก็จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างสมานได้อย่างสามัคคีดังนะั้นขอสรุปลงตรงที่เรียกว่าสําหรับข้อนี้นะสรุปลงตรงที่เรียกว่าพยายามทําความเข้าใจตัวเองเนี่ยให้ เข้าถึงความเป็นจริงของตัวเองแล้วก็ทำความเข้าใจคนอื่นให้มากขึ้นแล้วก็เข้าถึงความเป็นจริงของคนอื่นด้วยให้มากขึ้นสิ่งเนี้จะช่วยทำให้เรานี่ยพ้นทุกข์ได้อส่วนข้อที่สองถามว่าเห็นเพื่อนๆแข่งรถมอเตอร์ไซค์หรือทำอะไรโลดผลแล้วอยากจะทำตามบ้างเพราะชีวิตจริงๆเรียบเรียบ แต่มันเรียบเกินไปใช่ไหมลองหาอะไรที่มันบื้อบาตื่นเต้นอัตมาเนี่ยคนนึงนะที่รู้สึกเคยนึกอยู่เรื่อยๆเหมือนกันเอ๊ะทำไมชีวิตเรามันไม่ค่อยจะโลดโผนไม่ค่อยจะตื่นเต้นเคยนึกอยากอยากจะให้มันตื่นเต้นโลดโผนอะไรต่ออะไรบ้างแต่อันนี้เป็นความอยากอันนี้ไม่ใช่ความจริงนะอันนี้คือความอยากของเราแต่ความจริงเนี่ย คนเราแต่ละคนเนี่ยนะบางทีวิบากกรรมหรือชะตาชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยเราสั่งสมมายัางไงบางคนเนี่ยสั่งสมชีวิตที่เรียบง่ายมาเราไม่ใช่เป็นคนอารมณ์ร้อนไม่ใช่เป็นคนอารมณ์รุนแรงไม่ใช่คนที่หำหามหรือว่าบ้าละห่ำอะไรต่ออะไรนะถ้าคุณสั่งสมจริตนิสัยอย่างนี้มาชีวิต เราไม่ค่อยไปเบียดเบียนใครไม่ค่อยไปแก่งแย่งเบียดเบียนทำร้ายอะไรใครเขาเนี่ยชีวิตมันก็จะเรียบง่ายตามความเป็นจริงบา ง, บางทีเราดูหนังดูละครหรือเราเห็นเพื่อนฝูงเนี่ยโอ้โหมันมันดีเนาะมั น, ม น, มนอย่างนั้นมันอย่างนี้เนี่ยแต่เขาก็ต้องสั่งสมอย่างนั้นของเขาแล้วเขาก็เลยรุ่มๆุมดอมดอย่างของเขาจริงๆด้วยจะให้เขามาเรียบเรียบอย่างเราเรียบไม่ได้ เขาก็ไม่สามารถจะเรียบได้เพราะอะไรเพราะวิบากกรรมหรือชะตาชีวิตที่เขาสะสมมาเนี่ยเขาเบียดเบียนบ้างเขาแก่งแย่งบ้างเขาชิงดีชิงเด่นกันมาบ้างเขาก็ต้องมีวิบากพวกนั้นมาตามเล่นงานทําให้ต้องตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาส่วนคนที่ไม่ค่อยไปอะไรกับใครเขาสักเท่าไหร่จะได้ชีวิตค่อนข้างมาในทางที่สงบ ก่อนข้างมาในทางเย็นอะไรอย่างนี้วันบางทีเนี่ยคุณก็อยากแหมให้มันมีมีอะไรตื่นเต้นนะแต่มันไม่มีมาเพราะว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรกับใครเขาไว้วันไอความอยากของเรานะ่ะใช่แต่ไม่ใช่ความจริงบอกแล้ววันถ้าเรารู้ความเป็นจริงว่าเออบางทีมันเป็นวิบากบุญของเรานะที่เราทำมาอย่างนี้มันก็เลยสงบราบเรียบอย่างนี้แต่เราเองเนี่ยเราไป บางทีไปเห็นเพื่อนฝูงหรือเราไปอยู่ในสภาพสังคมที่แหมมันเฮฮามันสนุกสนานมันเพลิดเพลิน ม, มันตื่นเต้นเราเลยไปโดนไอ้ภาพลวงตาหรือว่าอิทธิพลของสภาพแวดล้อมเนี่ยมันหลอกเราให้เราเนี่ยอยากตื่นเต้นอยากเป็นอย่างนั้นบ้างบางคนเนี่ยขนาดอยากนะแต่จะไปอย่างนั้นมันยังไปไม่ได้เลยเพราะบุญบรารมีที่สะสมมา มันไม่ยอมให้ไปอย่างนั้นแหละอัตมาเองเนี่ยนะเคยทําผิดศีลอย่างเช่นลักขโมยของอะไรเงี้ยเคยตอนเด็กๆนี่แหละก็ขโมยเงินแม่เงี้ยเคยตอนเด็กๆแต่โอ้โหไปขโมยยัเงเหงื่อแตกพักๆเลยกลัวแสจะกลัว อยากนะอยากมีเงินแหมอยากเอาไปเที่ยวเล่นอยากจะไปใช้เหมือนเห็นเพื่อนๆนมันใช้กันนะยากจริงๆเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยไปเห็นเพื่อนแล้วโอ้โหมันมีไอ้นั่นมันมีไอ้เนี่ยบางทีเราก็อยากมีแต่เราไม่มีเงินเงี้ยบางทีไปขโมยเงินบ้างอะไรบ้างเงี้ยเห็นเขากินนย่นนั่นกัโอ้โหอยากกินไปขโมยมาแต่บอกแล้วมันมีบุญขนาดหนึ่งเนะี่ยที่ทําให้พอเราไปทําอย่างนั้นนะ ไปไปทำเร็วอะ่ะพอไปทำเร็วอย่างที่เราอยากแล้วเนี่ยโอ้โหมันทุกข์มากเลยมันทรมานมันทรมารรมใจเราเหลือเกินไอตอนคิดวอยากมีอยากเป็นอย่างนั้นรู้สึกมันมันดีนะมันน่าจะมีความสุขแต่พอเราไปทำจริงๆเข้าเนี่ยโอ้โหอย่าบอกใครเลยเราเห็นทุกข์จริงๆเลยแล้วถึงจะมารู้ว่าเออไอที่ชีวิตที่เราบางทีสงบสงบเรียบง่ายๆอย่างนี้นจริงๆแล้วมันดีกว่าทั้งเยอะ แล้วก็จริงๆเนะี่ยไอ้ที่เขาปากัดรตีนทีบแล้วก็โอ้โหทุกทรมานแล้วก็บอกตื่นเต้นดีเนะี่ยบางทีเนะี่ยเขาหลอกเขาเขาปลอบใจตัวเขาเองอะเพราะว่าอะไรเพราะจริงๆเราก็ไม่อยากไปอย่างนั้นนะแต่บางทีมันหนีไม่ พ, พม้นเขาก็ต้องไปทําผิดศีลบ้างทีเขาก็ต้องไปโกหกหลอกลวงบ้างไปแอนนออนนี่ให้มันแบบว่าโอ้โหหวือหวาแล้วก็ตื่นเต้น แต่โดยศัจารรมโดยความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เลยจริงๆแล้วเป็นมิบา ก, กรรมของเขาที่เขาไปสั่งสมสิ่งเหล่านั้นมาทำให้เขาเลยจะต้องตื่นเต้นหวาดเสียวอยู่อย่างนั้นแหละ mm hmm. เหมือนมีคนถามพ่อท่านผู้หญิงคนหนึ่งถามพ่อท่านว่ายังวัยรุ่นอยู่เลยนะนะถามว่าเนี่ยโอ้โหหน้าตาเขาก็ไม่ขี้ริ้วกีเหลอะไรจริงๆ ต้องถือว่าหน้าตาก็ใช้ได้แหละนะก็ไม่ใช่สวยเช้งอ่ะแต่ก็ถือว่าเอาหน้าตาก็ถือว่าสวยขนาดนึงเขาบอกว่าเนี่ยตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งโตเป็นสาวแล้วอบอกไม่มีใครมาจีบเขาเลยแม้แต่คนเดียวไม่เคยมีตั้งแต่เรียนหนังสือจนกระทั่งเรียนหนังสือจบนะไม่มีใครมาจีบเลยไม่มีผู้ชาย เด็กผู้ชายก็ตามหรือว่าไอ้หนุ่มคนไหนก็ตามมาจีบเขาเลยแม้แต่สักลายเดียวใจจริงๆถามว่าแหมอยากให้ใครมาจีบบ้างไหมอยาก <c oughs> <c oughs> เพราะว่าแหมมันจะได้รู้สึกตื่นเต้นบ้างนะ น, นะ <c oughs> เอ้าก็อยากอย่างงั้นผู้หญิงส่วนใหญ่ก็คงจะมีความคิดอย่างนี้อยู่อะเ <c oughs> กือบทุกคนและส่วนใหญ่ไอ้ชอบหรือไม่ชอบอีกเรื่องนึง น, นะเพราะอะไร เพราะการมีคนมาจีบมันหมายถึงอะไรแน่ชั้นก็ไม่ย่อยนะแสดงว่าอย่างน้อยชั้นก็ใช้ได้หน้าตาไปวัดไปวาได้ไม่ใช่ไปตอนตายนะหน้าตาสวยใช้ได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเขาก็ถามพ่อท่านพอท่านบอกโอ้โหอย่างนี้แหละเป็นไงโอ้โหมีบุญมากลวเนี่ย มดมถึงไมนมาตอมแมงวันไม่มาตอมโอ้ยมีบุญมากมันถึงได้เป็นอย่างนี้แต่เนี่ยแหละว่าจะรู้ตัวไหมล่ะทั้งๆที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยโอ้โหมีคนนั้นมาจีบบ้างอะไรผู้ชายคนนั้นมายุ่งบ้างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโอโลําบากนะคุณยากนะและจะเป็นเหตุที่ทําให้คุณจะต้องทุกข์เยอะแยะเลยนะใช่ไหม ยิ่งบางคนเนี่ยโอ้โหคนนั้นคนนี้มาลุมแย่งกันเนี่ยบางทีฆ่ากันตายอะไรถออะไรโอ้โหมีเวรมีกรรมมากมายเลยวันใครเนี่ยไม่มีใครมาจีบเป็นโสดได้ตลอดชีวิตบุญแล้วอย่ามามัวนั่งซึมโอ้ยฉันคารทอ น, นิเวศอีกแล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเนี่ยให้รู้อัตมาถึงบอกว่าถ้า ถ้าเราชัดเจนนะเรารู้ในสิ่งที่เป็นสัจธรรมของชีวิตจริงๆเนี่ยคุณจะหมดสงสัยเรื่องพวกนี้เลยหมดสงสัยจริงๆนะอย่าไปให้มีเวมีกรรมอันเรื่องนี้อามาย ก, ก็ยกบ่อยที่มีภิกษุณีสมัยพุทธกาลหน้าตาสวยงามมากจนกระทั่งขนาดบวชเป็นเป็นพระภิกษุณีแล้วยังมีอ โจมมาดักซุ่มเพื่อที่จะทำ้ายนะทำ้ายก็หมายถึงว่าจะปั้าจะข่มขืนอะไรพวกนี้คิดดูสิโอโหจนกระทั่งบวชแล้วนะถ้าจำไม่ผิดก็บรรลุธรรมด้วยคิดดูก็ขนาดบรรลุธรรมแล้วคุณคิดดูสิเนี่ยวิบากตื่นเต้นขนาดนี้ยังมาเลยขนาดว่ามาดักซุ่มเพื่อที่จะทร้าย ตอนนี้โอ้ไม่รู้จะทําไงเป็นผู้หญิงก็สูส้ผู้ชายไม่ได้คุณว่าสุดจะตื่นเต้นไหมน่ะเนี่ยเซนและใ น, นที่สุดบอกว่าไม่รู้จะหาทางหนียังไงได้ก็เลยถามไงว่าเออลักอะไรที่ตัวเขาเนี่ยรักอะไรไอโจเนี่ยก็บอกว่าแมายลักดวงตาสวยอะไรต่ออะไรอย่างนี้บอกรักตาสวยเลยเลยควักตาให้เลย โอ้โหคราวนี้ตื่นเต้นไหมโอ้โหโจรก็ตื่นเต้นไปด้วยละครวนี้ช น, นิดที่เรียกว่าโอ้โหโจรกลัวเลยคราวนี้เพราะจริงๆก็รักเพราะว่าใช่ไหมเพราะว่าความสวยเพราะว่ามีดวงตา ง, งามพวกควักตาให้เท่านั้นเองโจรยอมเลยหนีเลยคราวนี้ไม่กล้าเลยแต่อันนี้จริงๆแล้วคือวิบากใช่ไหม วิบากกรรมของภิกษุณีรูปนี้มันไม่ใช่ความตื่นเต้นโลดพ้น <c oughs> น่าจะยินดีอะไรหรอกนะจริงๆแล้วมันเป็นวิบากบาปหรือเป็นวิบากของความซวยต่างหากละ่ะมันไม่ใช่ความตื่นเต้นในทางที่ดีอะไรเลยเพราไอ้ที่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกตื่นเต้นตื่นเต้นเนี่ยคุณไปดูเหอะเดี๋ยวนี้ตื่นเต้นในทางไม่เข้าท่าทั้งนั้นแหละไม่ค่อยมีตื่นเต้นในทางดีเลย ส่วนไอ้ที่ดีๆมาเนี่ยนะเขาไม่ค่อยคิดว่าเป็นเรื่องตื่นเต้นนะอย่างเช่นบางทีถามวันนี้จะไปไหนวันนี้จะมาวาัดฟังธรรมไม่ตื่นเต้นเลยโอถ้าถามว่าวันนี้จะไปไหนบอกวันนี้เดี๋ยวจะไปเที่ยวเทคสักหน่อยโอ้โหชักตื่นเต้นวันส่วนใหญ่เนี่ยโลกโลกที่บอกว่าตื่นเต้นโลดโผนอะไรต่ออะไรเนี่ยนะส่วนใหญ่เป็นเรื่องตื่นเต้นที่ไปในทาง อกุศลปัญหทางเลวทางร้ายทั้งนั้นปัญหทางไม่ดีเลยส่วนใหญ่เพราะันให้เรารู้เถอะอย่าไปโดลดโผงอย่าไปตื่นเต้นอย่างเขาเลยมาตื่นเต้นอย่างนี้ดีกามานั่งฟังธรรมนี่ชักรู้สึกตื่นเต้นอย่างโอ้โหถ้าคุณแบบว่าโอ้โหได้พบสมณะแม้ได้ฟังธรรมโอ้ยตื่นเต้นอย่างเลยดีใจรู้สึกโดลดโผนดียิ่งกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ซะอีก เออถ้าอย่างนี้สิแสดงว่าเข้าท่าแล้วถ้าอย่างนี้ใช้ได้แต่ส่วนใหญ่มันไม่เป็นอย่างนี้สิใช่ไหมล่ะเพราะอาตมาบอกแล้วค่านิยมของโลกเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะความตื่นเต้นก็ตามอะไรต่ออะไรก็ตามเนี่ยมันเน้นบรรยากาศทางโลกโล ก, กีซะส่วนใหญ่มันเน้นบรรยากทางโลกโลกีนะเขาบอกว่าต้องมีครอบครัวต้องมี บ้านหลังใหญ่ๆต้องร่ำรวยนะต้องมีชีวิตชนิดมีพระเอกมีผู้ร้ายมีนางเอกมีอะไรนะเขาถึงจะแหม่มีความสุขแล้วก็โอ้โหบื้อหวาดีนะหรูหราดีเพราะนั้นเขาจะคิดอย่างนั้นแหละเพราะถ้าชีวิตที่รู้สึกว่าแหมเรียบเียบง่ายๆนะมาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปทะเลาะบาแวงอะไรบใครไม่เคยไปด่าทออะไรกับใครเขา เขาบอกจืดชีวิตอย่างนี้นี่อะไรเกิดมาชาติหนึ่งแล้วไม่คุมจนกระทั่งเขาเลยแบบว่าบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยถ้าใครนี่ไม่แต่งงานหรือไม่มีแฟนเนี่ยถือว่าเสียชาติเกิด <c oughs> จริงๆทั่วไปเนี่ยแต่ตรงอังข้ามเลยถ้าคุณนึกตามความเป็นจริงสิว่ามันมีสักกี่คน ที่จะรอดเนี่ยที่จะไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องแต่งงานไม่ต้องมีลูกเต้าไม่ต้องมีสามีภรรยาอะไรพวกนี้มีสักกี่คนในร้อยคนจะมีสักกี่คนเอา้าฮะกูว่าในร้อยคนจะมีคนโสดได้จริงๆสักกี่คนฮะร้อยคนไม่มีสักคนเหรอแลกกี่ร้อยคนเละถึงจะมีสักคน อาจจะเป็นพันหรืออาจจะเป็นหมื่นใช่ไหมแล้วคุณคิดดูสิว่าน้อยน้ยเนี่ยและหาได้ยากเนี่ยมันน่าตื่นเต้นกว่าไหมที่จริงแล้วอะ่ะเอาตามสัจจะมันน่าตื่นเต้นกว่าถูกไหมละ่ะเพราะส่วนใหญ่โถเหมือนกันเกือบหมดแหละก็แต่งงานใช่ไหมมีครอบครัวมีลูกเต่าอะไรต่ออะไรก็ส่วนใหญ่เขาเป็นอย่างงั้นอยาเหมือนกันหมดแหละไม่น่าตื่นเต้นหรอก มาบวชได้งี้ตื่นเต้นมาโกนหัวได้ตื่นเต้นเ่าใจนะโหโกนทีแรกนี่ตื่นเต้นมากเลยยิ่งถ้าเป็นสมณะชาวโศกตื่นเต้นมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพวกสมณะหรือว่านักบวชชาวโศกเนี่ยถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเราจะใช้มีดโกนแบบที่ช่างตัดผมเขใช้โกนน่ยแล้วของเราเนี่ยมักนิยมที่จะให้โกนกันเองไงให้หัดโกนด้วยตัวเอง โอ้โหตื่นเต้นมากเลยคุณครั้งแรกๆที่โกนี่โอ้โหคอยระมัดระวังมากเลยเพราะบาดเสียวเหลือเกินพลาดไม่ได้นะพลาด น, นิดเดียวมันเข้าเลยแหละเรียกว่าได้เราชอบเรียกว่าวันเนี้ยโกนแล้วได้กี่บาทวันนี้ถ้าวันไหนไม่ค่อยมีสติไม่ค่อยเข้าท่าหน่อยก็เสียค่าโกนหลายบาทหน่อยอื เรตื่นเต้นมากถึงบอกว่าเนี่ยมาตื่นเต้นอย่างนี้สิตื่นเต้นอย่างนี้แล้วคุณพ้นทุกข์ด้วยว่ามีความสุขความสบายในชีวิตด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปตามเขาหรอกเนี่ยขีม่มอเตอร์ส่งมอเตอร์ ไ, ไซค์อะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ต้องหรอกขี่มอเตอร์ไซค์นี่เขาเรียกว่าอะไรเอาเนื้อหุ้มเหล็กนะ่าตายง่ายอยอย่าเลยอะไรที่ดีๆเนี่ยเราเอาดีกว่า ไอ้ที่เพื่อนๆเขาทำอะไรที่ไม่ดีเนี่ยอย่าไปโดนหลอกนะถ้าเราโดนหลอกเราไม่เท่าไม่ทันเราจะไปตื่นเต้นตามเขานะเอาวันนี้ตอบ2ข้อนี้นะก็หวังว่าพวกเรานะคงจะเอาไปใช้ในความเป็นจริงของชีวิตเราให้ได้ธรรมะเนี่ยคุณต้องเอาไปใช้ให้ได้ในชีวิตจริงแล้วคุณถึงจะพ้นทุกข์ได้จริงถ้าธรรมะคุณเอาแค่ฟังไปแล้ว คุณรู้แต่คุณเอาไปใช้ไม่ได้จริงคุณไม่สามารถพ้นทุกข์ได้นะอ่ะคงฝากไว้เท่านี้